อันเป็นมหามงคลสมัยที่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชว์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไดเมตารับนิมนต์มาสอนแก่นพุทธธรรมแนะนำอบรมวิปัสสนากรรมฐานในประเทศสหรัฐและณสถานที่นี้ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งด้วยท่านมีภารกิจการสอนอยู่มากมาย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 แนวการปฏิบัติให้ถูกต้องอาตามทางแห่งมรควิถีเพื่อประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นและทำที่สุดแห่งทุกให้แจ้งสืบไปจึงกอบกราบขอบคุณคุณป้าปรมโมทไว้ณที่นี้ข อ, อนิมนุนากานอื่นก็ต้องบอกพวกเราว่าต้องขอบคุณคุณหมอคงศักดิ์เป็นคนที่กล้าหาญเป็นนิมมลหลวงพ่อเป็นคนแรกเลย ก็คุณหมอความจริงก่อนหน้านั้นก็มีนิมนต์บ้างนะนะคุณหมอองศักดิ์เนี่ยจริงจังในการไปนิมนต์หลวงพอรับนิมนต์แล้วรัตอื่นๆก็เลยเอาบ้างนะนะที่จริงควรจะมาเทศที่นี่เป็นที่แรกนะแค่เป็นทริปนี้มาเทศที่นี่เป็นที่สุดท้ายนะแต่ว่าธรร ม, มนะนั้นไม่มีเก่าไม่มีใหม่อะไรหรอก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 ธรรมมาหากินไปถือบวชก็บวชไปตามธรรมเนียมต <c oughs> อศึกษาจนเข้าใจธรรมมาที่พระพุทธเจ้าสอนวพบความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในตัวเองอย่างที่คุณหมอพูดเมื่อกี้นะพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยว่าพวกเราอย่านึกว่าพวกเราไม่มีพระาศาสดาแล้วธรรมวิไนที่ท่านถ่ายทอดไว้เป็นาศาสดาแทนท่านถ้าเราเข้าใจทองแท้ในพระธรรม เราก็จะรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระสงฆ์ไปด้วยจะเข้าใจธรรมะอันเดียวจิตของเราซึ่งเป็นจิตปุถุชนกลับกรอกเนี่ยก็จะกลายเป็นจิตของพระสงฆ์ไปวันใดที่จิตของเราเป็นพระสงฆ์นเราจะเป็นเราจะรู้สึกเลยว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาไม่เคยหายไปไหนเลยยิ่งท้าภาวนาจนถึงขีดสุดจริงๆ จ, จะรู้เลยว่า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 เป็นปูนเก่าๆนะยุ่ยไปหมดเลยก็ไปนั่งสมาธิในใจก็นึกาศาสนาพูทธคงหมดไปแล้วละพระพุทธเจ้าก็เปื่อยไปแล้วนะพระธรรมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พระสงฆ์เห็นเดินไปเดินมาใจก็รู้สึกไม่ใช่อะ <S <S ่ะก็เป็นคนธรรมดาไม่เห็นมีอะไรแตกต่าง่างคนธรรมดาเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คงไม่เหลือแล้วมั่งในใจคิดอย่างนี้นะแต่ก็ยังนั่งสมาธิ นั่งทุกวันไม่เลิกหรอกเพราะใจมันเคยชินกับการปฏิบัติมันก็จะต้องปฏิบัตินั่งสมาธิอยู่ยี่สบปีมีแต่ของเล่นไม่มีของจริงเลยหวังอยู่ตลอดนะว่านั่งสมาธิไปเรื่อยวันหนึ่งจะปิ้งขึ้นมาบรรลุอะไรต่ออะไรพ้นทุกข์อะไรเงี้ยใยใจไม่คิดถึงขนาดว่าจะนิพพานนะคิดว่ามันต้องนั่ง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 เห็นคนก็เล่นกันต้อไปเอามาบ้างพอมีเหรียญเดียวนั้นก็ต้องไปซื้อทำเนียบรุ่นมารู้ซื้อมาทําไมมีวันเดียวในหนังสือทำเนียบรุ่นของวัดสัมพันธวงศ์ก็พิมพ์เขาเหลือเศษกระดาษอยู่หน่อยหนึ่งเ้าไปเอาธรรมะของหลวงปู่ดุลมาลงไว้บอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุไทยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่เห็นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง เป็นนิโรธมีเหตุกับผลเหตุก็คือจิตออกนอกก็มีผลเป็นทุกข์เหตุก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งมีผลเป็นความนทุกข์เห็นเหตุกับผลอ่านถึงเท่านี้นะมันสะเทือนเข้าถึงใจนะถ้าคิดมาว่าโอ้ถ้าจิตไมท่ทุกข์ใครจะทุกข์ทุกข์อยู่ที่จิตนี่เองนะแต่ไม่รู้จักนะว่าเขาลงชื่อว่าพระรัตนกรวิสุทธ์ไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน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 อุตสาหนีไปหลบอยู่อีกตึกหนึ่งนะกลัวท่านมากเลยเรื่องที่พวกเรากลัวหลวงพ่อเนี่ยเรื่องปกติหลวงพ่อก็กลัวอาจารย์มาก่อนที่พอท่านมาช ง, งโงกก็เลยเข้าไปกราบท่านหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติท่านบอกเลยว่าท่านไม่พูดไรเลยนะทีแรกพอบอกท่านว่าอยากปฏิบัตินะท่าน ก, ก็มานั่งเก้าอีโยกเราก็นั่งรอฟังธรรมะไม่เทศหรอก นั่งหลับตาเ ง, งี้ยไปเกือบชั่วโมงเนะี่ยเราก็นึกโอ้หลวงปู่อายุมากแล้วะเกือบร้อยปีแล้วฉันข้าวเสร็จก็หลับไปแล้ว <c oughs> หลับไปแล้วละ่ะเมื่อไหรจะตื่นเนาะเราจะได้ฟังเทศอะไรเงี้ยรถไฟก็จะออกซื้อตั๋วไปแล้วด้วยจะต้องกลับออกมาสิบโมงกว่าๆอะไรเนี้ยหลวงปู่ก็หลับไปซะแล้วเ <c oughs> กือบชั่วโมงนะท่าลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนเลย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 เพื่อไปถามเขว่าวัดบูรพารามอยู่อำเภอไหนอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้จักเลยแปลกเดินไปเจอจราจรนะอยู่ที่สี่แยกไปถามว่าวัดบูรพารามอยู่ไหนก็ อ, อยู่หลังตึกแถวนี้แหละบอกเอา้าเราถามคนทั้งเมืองสุรินไม่มีใครรู้จักบอกคุณไปถามว่าวัดบูรพารา ม, มไม่รู้จักนะเขาเรียกวัดบูนไปถามผิดชื่ออะไรเงี้ยเข้มาก็ยากนะแถมถามธรรมะมาแล้วไม่รู้จะปฏิบัติยังไงอีกตกใจ จิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยจะดูแบบไหนก็ไม่รู้อีกนะตกใจจะทำไงดีตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วล่ะก็นั่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไว้ก่อนนี่เป็นหลักข้อหนึ่งของการปฏิบัติเลยนะถ้าทำอะไรไม่ถูกทำสมถะไว้ก่อนพุโทโธพุทโทไปก็ยังดีนะพอจิตใจมันสงบลงเนี่ยมันหายตกใจ จิตใจสงบลงเราก็ใช้สติปัญญาพิจรารณาเอาอันนี้ยังไม่เป็นวิปัสสนานะใช้การคิดเอาแต่เป็นการคิดที่จิตใจมีระบบมีระเบียบมีเหตุผลถ้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านนะเอาไปใช้กับโลกได้นะวันไหนฟุ้งซ่านมากก็บริกรรมไปหายใจไปอะไรเนี้ยจิตใจสงบลงแล้วเนี้ยใช้สติปัญญาแก้ปัญหาได้ดีมากนี่หลวงพ่อไม่รู้จะทําอะไรก็ทําสมถะนี่เป็นกฎข้อที่หนึ่งเลยนะทําอะไรไม่เป็นทําสมถะไว้ก่อนนะ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 อย่างบางคนนั่งภาวนาหรือเจริญสติเจริญปัญญานะบอกตามองเห็นรูปรู้เนี่ยรู้รูปที่ตามองเห็นหูได้ยินเสียงรู้เสียงแลจมูกได้กลิ่นรู้กลิ่นนี่กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นไม่ไม่ได้เรื่องเลยมันรู้ออกนอกมันไม่ย้อนเข้ามาที่ตัวเองการเจริญวิปัสสนานเนี่ยนะย้อนเข้ามาศึกษาจนเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีตัวเรามีตัวที่มีอยู่นี่มีแต่ตัวทุกข์กายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์ ไม่เรียนออกนอกนะไม่เรียนออกไปข้างนอกถ้าเรียนออกไปข้างนอกเห็นของข้างนอกไม่เที่ยงแต่มันจะรู้สึกว่าจิตของกูเนี่ยเที่ยงนะนั้นนี่เป็นกฎอีกข้อหนึ่งนะคือการปฏิบัติเนี่ยอยากให้เกินกายออกไปดูอยู่ไม่ให้เกินกายนะนี่พอคิดได้ว่าไม่ให้เกินกายก็เริ่มมาดูต่อแล้วจิตอยู่ตรงไหนของกายนะอยู่ที่ผมหรือเปล่า นั่งสมาธิอยู่นะดูลงไปที่ผมตอนนั้นผมยาวเหมือนโยมนี้จับผมนะจับขยี้ดูนะจิตอยู่ตรงไหนว่าจิตไม่ได้อยู่ที่ผมดูไปจนทั่วผมแล้วนะหาจิตไม่เจอจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ที่ผมอยู่ที่ขนหรือเนี่ยจับขนคิ้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะแต่ก่อนมีขนคิ้วจับดูนะคลำหาหาจิตไม่เจอจิตไม่ได้อยู่ที่ขนจิตอยู่ที่เล็บ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 จิตอยู่ในกายนี่แหละแต่ไม่ได้อยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะแต่ว่าอยู่ในกายแล้วจิตอยู่ที่ไหนหรือจิตอยู่ที่ความรู้สึกสุขแล้วทําสมาธิป <P ull ip> ุ๊บเดียวเราก็มีความสุขล ะ, ะทําสมาธิมันานหนึ่งพมีความสุขดูลงไปในความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขสลายตัวไปนะไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยว่าจิตไม่ได้อยู่ที่ความสุขหรือจิตอยู่ที่ความทุกข์คราวนี้นั่งไม่ให้กระดิกเลยนะ นั่งให้มันปวดมากเลยปวดก็นั่งดูไปดูดู ด, ดูจนมันหายปวดแนละ้วมันชาไปเลยนะมันหายปวดไปแล้วไม่เห็นมีจิตโผล่เข้ามาอีกเรนะี่ค้นคว้าอยู่นะในกายก็ไม่ใช่ในเวทนาก็ไม่ใช่เขาไปคิดต่ออีกเพราะว่าหรือจิตอยู่ในความคิดนะจงใจคิดเลยคิดบทสวดมนต์นะพุทธโธสุสุธโธกรุณาหั่นโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพ่วงมหันต์นก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 ไอ้จิตชนิดนี้นะตอนนั่งสมาธิมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเราไม่รู้ว่านี่คือจิตนะเวลาที่เรานั่งสมาธินะรู้ลมหายใจไปทีแรกลมหายใจมยาวไปถึงท้องนะหายใจแล้วลมค่อยสั้นเข้าพอจิตสงบนะลมจะตื้นขึ้นเรื่อยๆนะพอจิตสงบจริงๆแล้วลมก็หยุดหยุดอยู่ที่ปลายจมูกนี่นะกลายเป็นแสงสว่างตรงแสงสว่างนี่เราดูที่แสงสว่างนะไม่ต้องดูลมหายใจ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 จิตรู้ชั่วขณะเนี่ยเป็นจิตที่มีสมาธิชนิดที่เรียกว่าคณิกะสมาธิสมเด็จที่ชั่วขณนะจะไม่เหมือนจิตรู้ที่ตั้งมาจากการทำสมาธิเต็มรูปแบบนะจะทรงตัวอยู่นานกว่าแต่จิตรู้ที่เกิดเป็นขณะขณะ น, นี้เอาไว้ทำหิปัสนาดได้แล้วนะไม่จาเป็นว่าต้องเข้าฌานทุกคนหรอกเมื่อวันนั้นนะหลวงพ่อนั่งรถไฟมาดูไปแล้ว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 เพ่งใส่มนะันนั้นระเบิดเปรี้ยงเลยนะจิตรู้ถอดออกมาอีกแต่เดี๋ยวเดียวเข้าไปเกาะ อ, อีกแล้วนะหลุดออกมาได้พอตื่นเช้ามาอีกวันก็ไปก่อเรียบร้อยอีกแล้วเพ่งอีกไม่ยอมระเบิดแล้วคราวนี้นกําหนดจิตแหลมเหมือนเข็มเลยนะแทงมันแทงแทงแทงแล้วมันเหมือนลูกโป่งเหนียวๆนั้นะแทงแล้วมันฉลบฉาบฉา บ, บนะต้องค่อยๆหยังให้ถูกจุดนะั้นระเบิดโป้งหลุดออกมาอีกแล้วอีกวันนึงแทงไม่แตกนะเพ่งก็ไม่แตกเฉือนมันทีละหน่อยหน่อยนะ หมดอีกตั้งขึ้นมาได้โอ้ต่อมาฝึกอยู่สามเดือนฝึกอยู่สามเดือนเนี่ยจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาไม่เข้าไปเกาะแล้วตั้งพวกเราเคยเห็นจิตที่เข้าไปเกาะ อ, อารมณ์ไหมถ้าภาวนาสักพักหนึ่งก็จะเห็นนะตั้งอย่างนี้โอ้ดูจิตได้แล้วรีบไปรายงานหลวงปู่ดุลหลวงปู่ผมดูจิตได้แล้วจิตเป็นยังไงโอ้จิตมันวิจิตพิสดารครับมันทําอะไรได้ต่างๆนาน า, นานนะแต่ว่า เดี๋ยวนี้ผมรู้ทันแล้วผมปล่อยอารมณ์หมดนะจิตตั้งเนี่ยผมอยู่กับตัวผู้รู้ได้ตลอดเลยตอนนี้หรือว่าหลวงปู่จะชมหลวงปู่บอกว่ากลับไปดูใหม่ยังไม่ได้ดูจิตเลยน ะ, นะไปแทรกแซงอาการของจิตมันไปบังคับไปฝึกเจอแล้วถจิตจิตปกติมนุษย์มนากลายเป็นจิตผู้รู้ตั้งโดดเดอยู่อย่างเงี้ยรักษาไว้ตลอดเวลาเลยเว้นเวลาพวกเราภาวน า, นานระวังอย่าไปหลงรักษาตัวจิตผู้รู้ไว้นะ มันมีขึ้นมาแล้วมันสลายตัวไปเข้าไปเกาะอารมณนะ์ต่ออารมณ์แล้วสลายตัวไปมาเป็นจิตผู้รู้อย่างนี้ถึงจะถูกนะการักษาตัวจิตให้เด่นดวงอยู่ทั้งวันเนี่ยไม่ถูกหรอกมันไม่มีวิวปัสสนาไม่แสดงใจลักษนณะ์หลวงปู่บอกให้ไปดูใหม่ครา้ น, นี้ตกใจระบาดูมาตั้งเยอะแล้วหลวงปู่ว่าดูผิดอีกนะกลับมาดูใหม่งานพิจารณาดูหลวงปู่บอกให้ดูจิตนะ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 จะมาเลยใช้วิธีได้ว่าจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตมีความทุกรู้ว่ามีความทุกข์จิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลจิตรอบจิตโกรธจิตหลงรู้ว่าจิตโกรธจิตรบจิตโกรธจิตหลงรู้อย่างที่เขาเป็นเรื่อยเลยแต่ว่ารู้โดยที่มีจิตคนหนึ่งเป็นคนดูนะมีจิตที่เป็นคนดูหลวาพถึงจําจี้จำชัยพวกเราว่าเราจะต้องมีจิตรู้ถ้าเรามีแต่จิตคิดเนี่ย เราดูไม่ได้จริงจิตเราต้องตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้ซึ่งจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นคนดูนี่เกิดจากการที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดดังนั้นเราจะต้องฝึกเบื้องต้นให้พวกเราทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะตามความเคยชินใครเคยพุโทโธก็พุโทโธใครเคยหายใจก็หายใจใครเคยดูท้องพองยุบก็ดูไปใครเคยเดินจงกรมก็ทําไปใครจะขยับมืออย่างคุณหมอคงศักก็ขยับไปอะไรก็ได้แต่ขยับมือหรือ รู้ลมหายใจเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบนะให้ใช้วิธีว่าขยับไปหรือรู้อะไรต่ออะไรนะกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นพุทโธพุทโธจิตนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่จิตรู้ทันรู้ลมหายใจจิตนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันดูท้องพองยุบนะจิตนี้ไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งท้องก็รู้ทันเดินจงกรม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 ไว่คิดอีกรู้อีกคิดอีกรู้อีกเอาแค่นี้แหละไม่ต้องห้ามคิดนะอย่าไปห้ามความคิดการไปฝึกกรรมาฐานนะอย่าไปห้ามอะไรที่ผิดธรรมชาติจิตมีธรรมชาติคิดก็ปล่อยให้เขาคิดไปแต่พอเขาคิดแล้วเรามีสติรู้ทันนยจิตรู้จะเกิดขึ้นเนี่ยพอได้ตัวนี้แล้วนะต่อมาเรามาดูความเปลี่ยนแปลงของจิตนะจิตเดี๋ยวก็สุขจิตเราเป็นคนดูอยู่นะเห็นความสุขผ่านมาความสุขไม่ใช่จิตนะความสุขเป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้จิตรับรู้ มาแล้วก็ผ่านไปความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปกุศลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปโรคกรดหลงผ่านมาแล้วโรคกรดหลงก็ผ่านไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปหมดเลยจิตที่เป็นคนรู้นี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนั้นะทั้งกายทั้งใจของเรานี่มีแต่ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะบางทีแล้วก็พอจิตมันก็ย้อนมาดูกายมันก็เห็นว่าร่างกายก็มีความเปลี่ยนแปลง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 เนี่ยในขันท่าในกายในใจของเรานะมีแต่ของที่แปรปรวนตลอดเวลาเลยเนี่ยหลวงพ่อดูอยู่อย่างนี้แหละนะสี่เดือนวันหนึ่งพายุมานะออกจากที่ทํางานตอนเย็นทํางานอยู่ทําเนียบรัฐบาลตอนเจะเลิกงานเนี่ยโอ้พายุมาแรงมากเลยออกจากที่ทํางานตอนนั้นยังไม่มีรถขับนะเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยสี่ห้าหรือมั่งพอออกมา พายุนะั้นมันพัดล่มนี่กลับข้างเลยลมนี่ลู่ขไปวนนะพวกเราก็พับเก็บลงมาแนะตักฝนไปเปียกฝนไปหมดทั้งตัวเลยแล้วก็หนีฝนไปหลบอยู่วัดโสมสมนัตข้ามคลองไปตีน้องชายบวชอยู่ที่นั้นะไปถึงก็ที่กุฏิพระนะเก็ไปนั่งนั่งกอดเข่าไว้ไม่กล้านั่งพับเพียบนะตัวเรานี่เปียกหมดเลยถ้านั่งพับเพียบนี้น้ำมันจะนองไปไกลนั่งแคบแคบนั่งแล้วใจมันก็กังวลขึ้นมา ถูกฝนคงจะเป็นหวัดแน่เลยรอบนี้พอใจเป็นกังวลขึ้นมานะสติระลึกได้เลยว่าจิตกังวลงั้นเราเคยฝึกมาจนชินแล้วว่าอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตนะรู้ทันหมดเลยความกังวลเกิดขึ้นสติระลึกปั๊บลงไปในความกังวลพอระลึกลงไปปุ๊บนะความโขาดนะจิตก็รวมคล้ายคล้ายพายุโลกกําลังตึงตังนะฟ้าเปรี้ยงเปรี้ยงนะหายไปหมดเลยร่างกายก็หายไปหมดเหลือแต่จิตันเดียวนะ จิตมันก็พัฒนาอะไรของมันไปนะพอมันถอยออกมาแล้วเนี่ยกลับมามันมีความรู้สึกว่าโอ้มันไม่เหมือนเดิมแนละ้วใจเราไม่เหมือนเดิมนะดูลงมาในกายก็กลวงๆนะดูแปลกๆไปนะใจมันก็รู้นะว่าจิตมันไม่เหมือนเก่าล้วพอขึ้นไปหาหลวงปู่ดูลเนะี่ยใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่เจอท่านเนจะ็ดเดือน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 ในจิตใจก็มีแต่ของเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตัวจิตเองก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวคิดเดี๋ยวรู้เดี๋ยวคิดบางทีไม่ได้รู้แล้วก็คิดอย่างเดียวนะเดี๋ยวรู้ทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมิตรหมุนติ้วไปหมดเลยในสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราในให้พวกเราคอยรู้ค่อยดูไปนะการปฏิบัติไม่ยากหรอกนะ หลวงปู่ดูลงบอกหลวงพ่อเลยเป็นประโยคแรกว่าการปฏิบัติไม่ยากหรอกยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ อ, อ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนีหลวงพ่อแนะนําพวกเราให้อ่านจิตตนเองนะเพราะว่าอะไรเพราะาคนยุคเราเนี่ยเป็นคนช่างคิดพวกที่ช่างคิดมากเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับพวกช่างคิดนะคือการดูจิตนะกรรมฐานที่เหมาะกับพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะคือการดูกายนะแต่ถ้าดูจิตไม่เห็นให้ดูกาย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 แม่ชีก็เลี้ยงพ่อไปเลี้ยงพ่อของหลวงพ่อนะแม่ชีนี่เสียสละคนไปช่วยเลี้ยงตอนนั้นอยู่กับครูบาคนยังไม่บวชเหมือนกันอยู่วัดนะ่ะสามคนนะช่วยกันทำงานสารพัดเลยนะเวลาโ ย, ยมไปแล้วสองคนล้างส้วมนะปั้มส้วมโยมก็ชอบเอาผ้าหนามัยอัดซ้วมไปด้วยนะท่อตันกันนะปั้มน้ํากระจายขึ้นหัวขึ้นหูกันทุกวันเลยนะ แล้วจนย้ายมาอยู่เมืองชนนะมีคนวัดมันใหญ่ขึ้นมีคนเยอะขึ้นสองคนถึงได้บวชบนะวชแล้วภาวนานะตอนบวชอยู่เมืองการภาวนามีวันนะึงใจมันก็วางลงไปต้องก็ไปหยิบขึ้นมาอีกนะัพรรษาแรกใจมันวางไว้หยิบขึ้นมาอีกว่าปล่อยวางจิตแล้วทำไมไม่ปล่อยเลยว่าดานไปหยิบขึ้นมาอีกแล้วเนะขา อ, ออกพรรษาไปกราบหลวงปู่สุวัต ไปรายงานท่านตอนนั้นท่านอาการไม่ดีแล้วท่านเป็นอัมาพาตแล้วตาหลังท่านช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะแล้ววิ่ลงไปเรื่อยๆเกลือ น, น้ำลายก็ไม่ได้ต้องคอยดูดเรื่อยๆแล้วท่านไม่สบายมากเขาโดบยาไว้จนท่านเบลอไปหมดเลยท้าท่านก็เข็นหลวงปู่ออกมาหลวงพ่อก็เข้าไปกราบหลวงปู่หลวงพ่อก็หลวงปู่ก็เบลออย่างเงี้ยนะจะบอกท่านหลวงปู่ครับ ครูบาอาจารย์สอนให้ผมดูจิตหลวงปู่ฮึกลับมารู้สึกเลยน ะ, มนะยผมวางจิตลงไปหลวงปู่ฮึมแล้วผมก็หยิบมันขึ้นมาอีกเไปหยิบมาทําไมไปหยิบมาทําไมนะไม่มีอะไรแล้วนะปล่อยไปเลยเราก็นึกในใจหลวงปู่พูดง่ายนะปล่อยไปเลยมันไม่ปล่อยอะใจมันขาด มัรู้นะว่าขาดแต่มันไม่รู้ว่าขาดอะไรเราะว่าภาวนากันต่อมานะวันหนึ่งนั่งสอนโยมเสร็จนะหมดแรงลงไปนอนนอนอยู่จนบ่ายๆเย็นลุกนะขึ้นมาลุกขึ้นมาก็นั่งเล่นแล้วไม่รู้จะภาวนาไงแล้วภาวนาทุกแง่ทุกหมุมแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยยังมีกิเลส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 แต่เดิมเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะเราดูปั๊บนะขาดสะ บ, บั้นหมดเลยนะแล้วมันไม่ทุกข์มาตั้งนานแล้วนะนี่อยู่ๆมันทุกข์ขึ้นมาฉับพลันโอ้เห็นทุกข์เห็นโทษเราแค่นี้ก็รอดคือพอมันทุกข์นะมันมันไม่ขาดยิ่งดูยิ่งทุกข์เหมือนเอาภูเขาทั้งลูกนะ้ะลงมาบดเลยกวดขยี้ในจิตนะ จิตมันก็รู้สึกนะว่าถ้านั่งต่อไปนะจิตจะระเบิดถ้านั่งดูต่อไปจิตจะระเบิดถ้าจิตรนะะเบิดตายแน่นะผมบอกว่าจิตระเบิดตายแน่นะบอกตายก็ตายไม่กลัวหรอกคราวนี้มันบอกใหม่บอกว่าถ้าระเบิดแล้วไม่ตายเนี่ยจะเป็นบ้านะตายแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นบ้าเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนนะนะโอ้ oh, ใจหลบแขว่งเลย ไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ช่างมันวะคนอื่นเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปเถอะ <ś c oughs> จะเป็นอะไรก็เป็นนะอเอเนี่ยต้องยอมตายนะภาวนาแบบสู้ตายเนี่ยคือบาอาจารย์สอนไว้อย่างนี้นะค่อยหัดค่อยหัดเนาะ <c oughs> คือถ้าไม่เห็นทุกข์เห็นโทษนะไม่ปล่อยหรอกถ้าจะยึดถืออยู่ถ้าเห็นทุกข์เห็นโทษมันก็จะปล่อยวาง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 ร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์หายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์นะลงหายใจออกอย่างเดียวไม่หายใจเข้าทุกข์ตายเลยหายใจเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกทุกข์ตายเลยเะฉะนั้นพอหายใจเข้ามามันทุกข์แล้วต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกไปแป๊บเดียวนะแก้ทุกข์ได้แป๊บเดียวก็เกิดทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกและแค่การหายใจของเราเนี่ยถ้าเรามีสติรู้การหายใจอยู่จะรู้เลยว่าหายใจเพื่อแก้ทุกข์เป็นคราวๆไป เพราะความทุกข์นี่บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยมันน่ากลัวขนาดนี้นะร่างกายนี้ไม่ดีเลยหยุดหายใจเมื่อไหร่เน่าเลยตายเลยนะบางคนแข็งแรงดีนะหลวกพ่อเคยรู้จักแม่ครัววัดหนึ่งไปทีไรแกหุงข้าวให้กินเลยวันหนึ่งแกกินข้าวเช้านี่แหละแล้วแกสำลักสำลักแล้วอาหารอุดหลอดลมตายเลยตายขนาดนั้นเลย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 มีกิเลสบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสุดท้ายไม่จะเห็นเลยทั้งหมดนี้มีแต่ทุกข์แต่โทษนะถ้าเห็นทุกข์ได้ก็ก็เห็นธรรมแหละทำะไมเห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกะอไปทําใจให้ว่างทําใจให้นิ่งเรื่องของสมถะทั้งสิ้นเลยใช้ไม่ได้บางคนเก็ไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างประคองจิตให้นิ่งให้ว่างเรื่องของสมถนะ บางคนบอกไม่ยึดถืออะไรเลยโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนั่นมิชาทิฏฐิโลกนี้ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยโลกนี้ถ้ามีเหตุก็มีหมดเหตุถึงจะดับสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นมิชาทิฏฐินะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าอนัตตาแปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตาคือมันไม่อยู่ในอำนาจไม่มีตัวตนถาวรค่อยๆศึกษานะขั้นแรกรู้สึกตัวใครจิตเคลื่อนไปบ้าง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 สวดเดือนปันมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยศีลบริบูรณ์หมายถึงเป็นศีลอัตโนมัติล้ถ้าจะต้องทําผิดศีลเนี่ยจะละอายแก่ใจทําไม่ลงเลยแล้วจะกลัวผลของการทําบาปมากเลยก็นะ เ, เลยไม่อยากทําผิดศีลไม่กล้าทําผิดศีลนะมีสมาธิเล็กน้อยไห้จิตตั้งมั่นได้แป๊ะแ ป, แป๊พวกหนีเหมือนพวกเรานี่แหละพวกเรานี่สมาธิ จุมจิ๋มนะยิ่งกว่าเล็กน้อยอีกสมาธิจุ๋มจิ๋มนะยิ่งกว่าเล็กน้อยพระโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยคือตั้งขึ้นมาได้แวบเดียวก็ไหลแล้วตั้งขึ้นมาได้แวบเดียวก็ไหลแล้วไม่ตั้งมั่นตลอดหรอนะแต่ถ้าปู่ชืชนบางคนฝึกเพ่งจิตนะก็จะตั้งอยู่ได้ทั้งวันนะาตายแล้วไปเกิดเป็นพระพรมที่ไม่มีร่างกายปมแนวรูปปรพรม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 นะไม่มีตัวเราพอพอนาต่อไปเป็นพระสกทาคานะ ส, สกสกทาคามีเนี่ยมีศีลศีลบริบูรณ์เหมือนกับพระโสดานี่แหละนะมีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อยสมาธิปานกลางก็คือใจนี้ตั้งมั่นอยู่เยอะและ้วนไะหลแฉลบแวบเดียวก็จะกลับมาล้วไหลแวบนึ่งกลับมาแล้วนะถ้าพระโสดาจะไหลแวบแวบอย่ค่อยมานะ แล้วก็อยู่ตรงนี้นิดเดียวนะมาตรงนี้ตระหากที่แวบไอ้ตรงนี้แวบนะตรงนี้แวบนะอยู่ได้ตรงนี้ถ้าพระสักคาคาไม่จะตั้งอยู่นะถ้าไหลไปโน่นนิดเดียวก็จะรู้สึกแล้วเมื่อกลับมานะสมาธิมัน่านกลางทำไมปานกลางยังไหลยอยู่ยังไหลยอยู่ยังเคลื่อนอยู่นะมีปัญญาเล็กน้อยก็คือเห็นอย่างพระโสดาเห็นแต่ยังไม่ได้ล้างอะไรมากกว่านั้นนะก็นะเห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ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 เพราะว่าหมดความยึดถือในกายแล้วนั่นเองบางท่านเห็นพิจนามาดูกายมาเห็นกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วหมดความยึดถือในกายผู้นี้ดูกายมาแล้วก็บรรลุผ้านาคาพวกที่ดูจิตจะบรรลุผ้านาคาเนี่ยด้วยการเห็นว่าถ้าจิตอยากจิตยึดจิตจะทุกข์นะจิตก็เลยหมดความแสบสายออกทางทวารทั้งทั้งห้านะตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปแล้วนั่นเป็นอัตโนมัตินะเมื่อจิตไม่ไหลไปในกลาม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 นานๆานมองทีหนึ่งแต่ว่าไม่สังเกตหรอกรู้สึกว่ากูแน่ว้่ <laughs> ไม่เหมือนใครเลยนะ <laughs> ปัญญาปานกลางก็คือเนี่ยเห็นความจริงแล้วกายนี้เป็นทุกข์ล้นล้ว น, วนหรือเห็นความจริงแล้วว่าถ้าอยากถ้ายึดแนอารมณ์ภายนอกนะจะมีความทุกข์เกิดขึ้นนี่ปัญญาระดับกลางน ะ, ะพอพาัวนาต่อไปจนถึงปัญญาขั้นสุดท้ายเลยมันะจะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีก พระพระอนาคารนะท่านได้สมาธิบริบูรณ์ปัญญาปานกลางพระอราหารันเนี่ยสมาธิบริบูรณ์ปัญญาถึงที่สุดละปัญญาถึงที่สุดเนี่ยท่านเห็นแจ้งแนละ้วว่าขันธ์ทั้งปวงโดยเฉพาะตัวจิตเนี่ยเป็นตัวทุกขนะ์ท่านเห็นทุกข์เห็นโทษของขันธ์ทั้งปวงหมดความยึดถือในขันธ์ทั้งปวงพอหมดความยึดถือในกานทั้งปวงนะจิตสลัดตัวออกจากขันธ์จิตจิตแจ้งพระนิพพานเพราะฉะนั้นพนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับ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 ไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่คิดบางคนไปวาดภาพพระราหันเหมือนคนพิการหรือเหมือนโรบอทยิ้มก็ไม่ได้นะยิ้มหาว่าโลภหน้าบื้องไปก็ไม่ได้ว่ากโกรธต้องทํายากอ่ะแค่ไหนพอดีหันะามากก็ไม่ได้ว่าหลุกหลีกนะเอลําบากมากเลยนะเราไปวาดภาพเอาคนพิการมาเป็นพ ร, รนะราหันะะ ที่จริงถ้าไปดูในพระสูตรนะจะรู้เลยว่าพระอรหันต์แต่ละองค์เนี่ยท่านไม่ดัดจริตท่านไม่แกล้งทำอย่างพระสารีบุตรนะท่านเป็นคนที่ว่องไวเคลื่อนไหวรวดเร็วมีอยู่ในพระสูตรเนี่ยสะท้อนได้หลายตอนเลย <S <S อย่างท่านเดินไปเจอท้องล่องท่านกระโดดข้ามเลยไม่ใช่เดินย่องย่อ ง, องไปถึงท้องล่องก็ไปยืนพิจารณาท้องล่องอยู่ชั่วโมงค่อยค่อยหมุนตัวไปหาแม้กระดานมาพาดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอเสียเวลา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 แกโกรธเลยนะไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าภาษาริบุตรประหารฆ่าพราะองค์ประหารแปลวะ่าตนะีพระพุทธเจ้ารู้แล้วไม่ใช่เหรอภาษาริบุตรจะไปตีใครไปเรียกมานไะหนๆเขฟ้องแล้วก็ไปสอบสวนภนะาษาริบุตรท่านบอกจิตของท่านเหมือนแผ่นดินนะแผ่นดินนี่นะเอาน้ําหอมไปใส่ก็เฉยๆนะเอาของสกรปรกไปทิ้งใส่ก็เฉยๆนะจิตท่านไม่หวั่นไหวจิตท่านเหมือนน้ำํำนะ แม่น้ํเนี่ยเอาของหอมไปใส่เอาของเหม็นไปใส่ก็เฉยเฉยจิตท่านเหมือนลมนะพัดผ่านสิ่งที่สะอาดหรือสิ่งที่สกปรกก็เท่าเทียมกันจิตนะท่านเหมือนไฟนะเอาของดีวิเศษแค่ไหนไปเผาหรือเอาของสกปรกไปเผาก็เผาเหมือนกันจิตของท่านไม่มีอะไรแตกต่างเลยจิตท่านไม่เคยประทุสล้ายใครแล้วท่านก็บรืเรียกบรื้สีหนาตนะจิตของท่านเป็นอย่างนี้อย่างนี้ พระองค์นั้นนี่เหงื่อแตกเลยนะสุดท้ายต้องขอขอมาท่านแม้ว่าท่านไม่ดัดจริทธิ์ท่านเป็นอย่างนั้นจริงหลวงปู่ดูลอีองนะหลวงปู่ดูลเป็นพระอราหันต์หรือเปล่านะรับรองไม่ได้หรอกเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนะแต่หลวงพ่อเชื่อว่าท่านเป็นก็เราเชื่อใครจะว่าใช่ไหม <laughs> เป็นความเชื่อนะไม่ได้บอกว่าใช่นะเป็นความเชื่อหลวงปู่ดูลนะีไม่ดัดจริทิ์เลยนะเวลาเดินออกมาจากกุฏิแนละ้วใส่อังศาออกมา สบงน่ต้องนุ่งอยู่แล้วนี่ใส่อาสาออกมาคนมากราบนะก็นั่งรับแขกเลยนะจะเจอที่กุฏิสาราไหนนะอยู่ที่หอะระฆังไหนจเจอใครรับแขมตรงนั้นฮะทำได้ตลอดมีโย ม, ม า, าห้าผมนวมไปถวายหน้าร้อนนะซื้อมาตั้งแต่หน้าหนาวแล้วไม่ได้มาถึงหน้าร้อนมาถวายท่าน หลวงปู่ช่วยห่มผ้าจะถ่ายรูปไหน่อยจะได้ปลืม้มหลวงปู่เฉยไม่เอาไม่มีเหตุผลทําไมต้องห่มผ้าหน้าร้อน mm. ปู่ไม่ตามใจไหมท่านไม่แกล้งทําปู่ประชาหลวงพ่อเป็นหลานท่านพอเข้าไปแล้วก็บอกหลวงปู่ทาไมหลวงปู่ไม่ตามใจเขาล่ะเขาโกรธแล้วรู้ไหมเขาไม่พอใจรู้ไหมบอกรู้ที่เขาไม่พอใจเพราใจเขาไม่มีความพอ ท่านบอกว่าถ้าจะให้ท่านทํากิริยามารยาทให้หน่านับถือแค่ไหนท่านก็ทําได้เพราะก่อนบวชเนี่ยท่านเป็นนางเอกละครละครสมัยโบราณใช้ผู้ชายเล่นนะเป็นนางเอกเนะี่ยแต่ท่านไม่แกล้งนะพระาแท้ๆไม่แกล้งหรอกนะกิริยาท่าทางไงก็เป็นอย่างนั้นอย่างอาจารย์มหาบัวกระดกกระเดกกระโดกกระเดกหนึกไหมะท่านงามของท่านนะใครไปเรียนแบบไม่งามหรอก หรือแต่หลวงปู่เทศนะ์งามมากเลยถ้าใครเรียนแบบพ้ก ง, งามไปด้วยแต่เราองค์ไม่เหมือนกันแล้วเราอย่าไปวาดภาพนะนี่จอมแปลงตัวเองเราเป็นยังไงเขารู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องทําเป็นเก๋ไก๋เอาแบบใครเขาหรอกนะสมมติว่าเราเดินขากระเพกอยู่เป็นเดินจงกรมกระเพกกรเพกก็ไม่เป็นไรเดินให้รู้สึกตัวแล้วกันไม่ใช่ต้องเดินสวยๆเหมือนคนอื่นเขาหรอกจะนั่งนะเกิดเราหลังเบี้ยวหลัง ง, งอ นั่งตัวเอียงๆก็ไม่เป็นไรให้จิตมันตรงเขาแล้วกันนะะฝึกไปนะไม่ใช่เรื่องยากการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องการเสรแส้งแกล้งทำแต่ว่ารู้สึกตัวขึ้นมาร่างกายเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเราเป็นยังไงรู้สึกดีก็ได้ร้ายก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้นะชั่วยังได้เลยแต่ชั่วขึ้นมานี่มีสติรู้เนี่ยความชั่วจะครอบ ง, งาจิตไม่ได้รับรองไม่ทําผิดศีลศีลนอะัตโนมัติจะเกิดพอไหวไหม นานนานมาทีเทศให้ดูเดือดหน่อยมีพระนะบางโอง่มว่าหลวงพ่อนะทำไมท่านเทศอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องเทศคนน้อยๆแบบมาถามคนต่อคนอะไรเงี้ยนะทีแรกบอกว่ายาวธรรมะลึกซึ้งไปสอนโยมธรรมะอย่างนี้เขาสอนกันในหมู่พระบอกเอา้าก็โยมก็เรียนได้อะ ใไ่ไมื่่เห็นว่าต้องเป็นพระเรียนเลยพระไม่ค่อยอยากเรียนด้วยซ้ำไปพ้าจะเรียนนักธรรมเรียนบาลีเรียนอะไรกันไปบอกว่าสอนคนหมู่มากไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามนะสอนเรื่องรูปนามอะไรเงี้ยนะลึกซึ้งบอกว่านาทบินทิกาเนี่ยเคยขอร้องพระสารีบุตรไว้ว่าให้ช่วยสอนกับฆลาวาสบ้างธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งพวกนี้ ฆราวาสที่มีบารมีสูงเนี่ยมีอยู่นะถ้าไม่ได้ฟังเขาจะเสียโอกาสในหลวงพ่อเขามุ่งเอาธรรมะเป็นหลักนะจริงๆในสายตาที่มองพระฆราวาสเนี่ยไม่ได้ต่างหรอกเป็นพระก็เป็นโดยสมมตินะเป็นฆราวาสก็เป็นโดยสมมติเรมหัดภาวนาธรรมะไม่มีพระมีฆราวาสอะไรหรอกถ้าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็เข้าถึงธรรมันเดียวกัน เป็นฆราวาสก็กลายเป็นพระได้นะเป็นพระได้ถ้าคราวาสเข้าถึงธรรมอย่างสุปฏิปันโนพระคาวาโตสาวกสังโคไม่เห็นมีตรงไหนเลยที่บอกว่าเป็นพระสุปฏิปันโนพระคาวาโตสาวกสังโคพระสาวกไม่ได้บอกพระสงฆ์ด้วยมั้งสาวกสังโคสังโคกลุ่มสงแต่สงนะสังคะตัวนี้นะสัง้าตัวนี้เป็นกลุ่มนะ ไม่จําเป็นว่าต้องใส่เครื่องแบบอย่างนี้นะพวกเราจิตเป็นพระสงฆ์ก็ได้น้าภาวออนาให้ถึงที่จริงๆก็เป็นสู่ปฏิปัน โ, นโนได้นะก็อยู่ในบุคลคลสี่คู่นับเรียงตัวได้แปบุรุษโสดาสกทาคานาคาอรหันโสดามร์โสดาผลคู่หนึ่งสกทาคามร์สกทาคาผลคู่หนึ่งนาคามร์นาคาผลอรหัตมร์อรหัตผล แปดจำพวกพารยะแปดจำพวกไม่จำเป็นต้องเป็นพระนะเป็นโยมก็เป็นพระได้ะส่วนที่หลวงพ่อเ น, นี่ยเป็นพระสมมุติสมมุติแล้วเราใส่เครื่องแบบแบบนี้สมมุติว่าเป็นพระโยมมันก็สมมุติเป็นโยมดันะะนั้นเราทําใจของเราให้เข้าถึงธรรมะเราก็เป็นพระได้นะเอานะพอสมควร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 ยังไม่เคยรายงานผลการปฏิบัติเคยแต่ขอให้หลวงพ่อทำทุกที <โด S 1> ก็รับคนนี้ใช่ไหมชอบให้หลวงพ่อทำให้ดูเราดูก็ดูได้บางส่วนใช่ค่ะรู้ไหมว่าจิตมันขาดอะไรมันยังไม่ปล่อยอะค่ะหลวงพ่อทำไมมันไม่ปล่อย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 มีพระองค์หนึ่งที่หลงพ่อเคยเล่าให้ฟังป่ะท่านไปเรียนแบบเรียนแบบไม่ได้ท่านไปเรียนผลต้องเรียนเหตุนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจิตเหมือนหลวงพ่อต้องเรียนเหตุอย่างหลวงพ่อไปมีสุติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าทิ้งหลักนี้นะหนูก็พอคล้ายคล้ายคือ <c oughs> จ ะ, จะเล่าให้หลวงจะให้แรย ง, งานที่หลวงพ่อทราบว่าที่ทําตามหลักตามเบสิกได้ผลอะไรมาบ้างด้วยค่ะ oh. ไม่เคยบอกให้หลวงพ่อหวัหลวงพ่อเลยที่ว่าหนูกระโดดไปทําผลอย่างเดียวอ uh. ก็ที่ผ่านมาก็บางทีก็ได้สภาวะที่จิตที่หัวกับที่อกมันแยกกันไอ้ตัวนี้ว่นผลเนี่ยตัวนี้มันก็เงียบเงียบสบายๆมันไป uh huh. แล้วก็สภาวะที่กายจิตอะไรนี่มันแยกตัวจากการเวทนามันก uh. ็อยู่ทาห่างไป uh. ต้องอย่างนั้นสิค่ะ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 ในเมื่อหนูจะไม่ค่อยได้ใจหลวงพ่อเนี่ยคะ่ะหนูจะเอาสภาวะธรรมทักสามสีตัวเป็นตัวประกบตัวเองไว้ว่าไม่ให้ผิดทางก็ที่อันหนึ่งก็คือไอช่องกลว ง, ลวงในอกอะกาศมันเพิ่มมากขึ้นเดิมทีมันจะเป็นดำๆหอ่หอๆแน่นๆ mm. ใช่ไหมคะมันก็สว่างมีแบบเดินรอบในข้างในอกได้ mm. แล้วก็ตรงกลางที่มันแน่นก็เปลี่ยนเป็นมูมัว mm. ก็คงจะเอาเป็นตัวชี้ต่อว่าถ้าถูาถกทางมันน่าจะสว่างขึ้นใช่ไหมคะ สว่างขึ้นมามันก็เป็นผลนะค่ะถ้าถือขีดสุดมันก็เป็นว่างสว่างบริสุทธิ์ค่ะหยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างค่ะือแค่เป็นเริ่มแค่เป็นตัวบ่งชี้แล้วก็ต้องต้องระวังนะค่ะตัวอื่นเนี่ยกลวงไปหมดแล้วแต่ตัวจิตไม่กลวงด้วยเลยค่ะจิตจงเป็นเรานะค่ะ ใช่ค่ะยังไม่ถึงกันหลวงพ่อเอออย่างนี้หายห่วงละเป็นลูกศิษย์ที่หลวงพ่อห่วงมากเลยคนเนี้ตั้งแต่ไปส่วนสันที่ทำนะอให้หลวงพ่อทำให้ดูอะไรเงี้ยก็อีกอันหนึ่งก็คือบางทีสังเกตจิตไปเรื่อยๆบางครั้งเนี่ยเขาจะหลุดออกจากความเป็นขอบเขตของเขาได้เองเขาจะ expand ออกไปได้เองแล้วขอบเขตมันจะเลื่อนลังเข้าไปได้เองค่ะอันที่สอแต่ขอบนี่ไม่หายหรอกนะ ขอบเนี่ยเป็นอาสวะกิเลสห่อหุ้มจิตไหมอาสวะเนี่ยจะขาดสามครั้งครั้งที่สี่ก็ขาดสะบั้นไปเลยถ้าออกจากจิตไปเลยหนูเห็นเขาเลือนแต่เขาก็ไม่เคยขาดเลยไม่ขาดไม่ขาดนั่นก็ปล่อยเขาอย่างนั้นดีนะไม่ใช่ปล่อยเขาอย่างนั้นนะคอยรู้ทันนิ้วไปรู้ทันอย่างเดียวค่ะ ค่ะอันสุดท้ายคือที่ถามหลวงพ่อไปเมื่อวันแรกก็แค่บอกว่าการอยู่ร่วมกันกับสภาวะธรรมต่างๆให้แบบไม่ปไปเบียดเบียนเขาไม่ไปจับเขาไม่ถูกครอบงําแล้วก็ไม่ไม่ยุงกับเขาอยู่ร่วมกันธรรมดาแบบแอิสระต่อกัน<ต>ผมจะเอาสตัวนี่เป็นตัวประกบใช่ไหมคะพร้อมกับสภาวะธรรมของหลวงพ่อที่หนูขอให้หลวงพ่อแสดงอะคะ่ะเอาเป็นหลักใจเพราะจะต้องไปทางนั้น ก็คือแค่นี้ค่ะพอจะอนุญาตให้พวกหนูเนี่ยขยันทำได้หรือยังคะเออนะถ้าแยกรูปแยกนามได้นะค่ะเห็นท่าเห็นขันทำงานไปตามหน้าที่ไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันก็ใช้ได้แล้วล่ะโอเคค่ะหลวงพ่อมีอะไรจะตักเตือนลวงหน้าไหมครับราะอีกสองปีกว่าจะเจอหลวงพ่อค่ะเนี่ยคนนี้รู้จริงๆแก้ใจให้มันถึงฐานนะ สมาธิอ่อนค่ะทำไม่เป็นนเราฝึกให้จิตตั้งมั่นจริงๆ<ช>แต่จิตตั้งมั่นไม่ถึงขนาดเพ่งเอาไว้นะสิ่งที่ขาดตอนนี้คือสมาธิค่ะจิตไม่เข้าฐานใช ค, ใชค่ะนี่ค่ะนะเบอร์สี่เชิญ <c oughs> ใครฟังแล้วกลัวบ้างว่าคุณนิพาวนาน่า ก, กลัวจังเลยมีไหม <c oughs> เรามีเหมือนกันอกกลัวหลายคน กราบนมัสการเจ้าค่าหลวงพ่อแต่มีที่ภาวนา น, น่ากลัวกว่า น, นี้นะแต่ไม่ได้เรียนกับหลวงพ่อหรอกไปน่ากลัวมาจากที่อื่นมาถึงก็ <c oughs> โอ้อยากก่างแก้ไม่ไหวนะ <c oughs> นะี่ภาวนา น, น่ากลัวอ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 เจ้าค่ะลูกเห็นแล้วว่าเวทนาก็อยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเมื <ensus ส S 2> ่อก่อนลูกจะเห็นว่ากายกับจิตเนี่ยมันแยกออกจากกันแล้วก็จิตากา็ไม่ใช่เรากายก็ไม <ừ> ่ใช่เราแต่เดี๋ยวนี้ลูกจะเห็นว่าร่างกายเป็นเพียงขันห้าทํางานเราไม่มีตัวตนแต่มันเห็นเป็นแว บ, บๆเจ้าค่ะอืว่ายังไม่พอนะปัญญามันล้ําไปเจ้าค่ะมันสรุปเร็วไ <Gotta. S 2> <Theater. S 1> ว้เจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อที่ลูกไปส่งกันบ้านหลวงพ่อคราวที่แล้ว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 แล้วอีกอย่างหนึ่งคือลูกเห็นสภาวะธรรมลูกสงสัยเมื่อวานแต่ลูกมาฟังเทศหลวงพ่อเมื่อวานตอนเย็นลูกก็ได้คําตอบไปแล้วคือที่ว่าเวลาลูกเนี้ยลูกนั่งเวลาลูกเจริญดูอิริยาบถสี่เป็นวิหารธรรมเพราะลูกสังเกตเวลาลูกดูลมหายใจเนียมันจะมีก้อนแข็งขึ้นมาทันทีเลยกลางหน้าอกแล้วทั้งท้งที่ลูกไม่ได้จิตมันไม่ได้จงใจจะดู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 มีความสุขที่เกิดจากการไปรู้นี่แหละเจ้าค่ะตอนนี้ลูกมีความสุขขึ้นอีกแล้วเจ้าค่ะแล้วความทุกข์ที่เคยมีเมื mm ่อข่าเมื่อสเดือนก่อนมันหายไปมันมันพ้นตรงนั้นมาได้อ oh. คือมองปัญหาในสิ่งที่ว่าเขาเป็นแต่ไม่ได้ทำไม่ติดเราไม่จําเป็นต้องไปทุกข์กับมัน uh. เหมือนที่หลวงพ่อเทศสอนอยู่บ่อยๆ mm hmm. ลูกชอบแต่ลูกก็ทําไม่ได้ mm hmm. แต่ตอนนี้ลูกคิดว่าลูกทําได้เยอะดีขึ้นมากแล้วเจ้าค่ะเยี่ยประม่านะวันนี้ทําได้วันหน้าจะกลับมาอีกก็ได้นะเจ้าค่ะจะไม่ ประมาทเจ้าค่ะนะไฟภาวนาะขอพระคุณให้รู้ทันตรงที่จิตมันติดความสุขจ า, จากการที่ได้เข้าเคลียร์ในธรรมะนะคือตัวนี้แหละเจ้าค่ะห้าเบอร์ยีบสองขอพระคุณมากเจ้าค่ะกรรมนันส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูก็ฝึกสมถะมาได้ประมาณ สังสปีตอนแรกไม่ทราบว่าตัวเองติดสมถะอยู่ค่ะเพิ่งมาเจออาจารย์อ ง, งสานะถึ ง, ถงได้ดถึงปฏิบัติส่วนใหญ่นี่คำสมถะแล้วไม่รู้นึกว่าทํำมิปัสนานะหลวงพ่อประเทศเทศแล้วพอแยกได้การพอนําจะง่ายขึ้นแล้วละค่ะก็พอเริ่มทราบตอนแรกก็คิดว่าตัวเองปฏิบัติถู ก, กเจ้าค่ะก็มารู้ว่าตัวเองติดอยู่กับความว่างค่ะก็พยายามพอเกิดอะไรปุ๊บก็ตัดแล้วก็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 ปฏิบัติแต่ก็ยังทราบว่าตัวเองปฏิบัติน้อยอยู่ค่ะตอนนี้กลายเป็นว่ารู้สึกว่าตัวเองติดสุขค่ะมีความสุขไม่เป็นไรน ะ, ะมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขถ้าพอใจในความสุขนะเราไม่รู้ทันถึงจะติดสุขถ้ามีความสุขรู้ว่ามีความสุขพอใจในความสุครู้ว่าพอใจไม่ติดอรอกค่ะนะแล้วหนูมีคําถามว่าคืออย่างพวก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 รูร้รทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเนะรื่อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะแต่ถ้ทํางานอย่างเขียนซอฟต์แวร์อะไรอย่างนี้ทําไม่ได้นะห้เบอร์สิบเบอร์สิ บ, บกับนําปัะการพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับดูมีพระเดชพระคุณเลยเออก็ปฏิบัติแนวทางหลวงพ่อมาได้ยกมาอย่างนี้เลยยกประมาณส<ก>ามปีได้แล้ว <ừ> ครับก็ต้องยอมรับว่า การหลงนี่ลดน้อยลงจะมีความรู้สึกสตัวถี่ขึ้นเรื่อยๆแต่มีปัญหาติดอยู่ตรงที่ว่าเวลาปฏิบัติตามแนวทางนั่งสมาธินี่นะครับมันจะมีช่วงแก๊ปคือรอยต่อระหว่างที่ว่าจะจิตจะตั้งมั่นมันจะวูบลงไปเลยไม่เป็นไรวูบ ล, ลงไปไปพักอยู่หรือมันวูบ แล้วมก็ตื่นขึ้นมาใหม่เหมือนจะหลับแต่มันไม่ใช่หลับอ๋อไม่เป็นไรจิตมันรวมให้มันรวมไปหน้าอย่าฝืนถ้าฝืนเนี่ยปวดหัวครับและรวมลงไปแล้วก็ขึ้นมาก็ดูต่อครับจิตเขาพักเป็นคลาบๆไม่เป็นไรเพราะผมก็ติดอยู่นานแล้วเลยรู้สึกเลยเลิกปฏิบัติแล้วตอนนี้มาปฏิบัติแค่รู้ตัวอย่างเดียวไม่นั่งไม่ได้นั่งไปด้วยแล้วจิตจะวูบก็ให้วูบไปแค่มีสติรู้ วูไปพอมันขึ้นมาก็มีสติต่อครับจิตจะได้แรงนะไม่งั้นจิตจะไม่มีแรงจิตวูบลงไปจิตไปนอนจะได้แรงไม่ใช่ย่อย่อนนะครับไม่ใช่ย่อย่อนแล้วหลวงพ่อจะมีอะไรทุกข์ไหมครับก็นี่ไงไปทําสมาธิเพิ่มขึ้นครับครับต่อไปเพจอึดเจ็ด กราบนมัศการหลวงพ่อค่ะยกมาอย่างนี้เลยโยมค่ะกราบน้มัศการหลวงพ่อค่ะคือตัวเองก็ไม่ได้ทํากรรมฐานหรือวิปัสสนาอะไรแต่ก็เห็นบางทีก็เห็นตัวเองโกรธตัวเองเศร้าใจหรือว่าเสียใจอะไรอะไรเงี้ยนะคะค่ะก็บางทีก็รู้ตัวปัจจุบันหรือว่าเห็นตามหลังส่วนมากจะเห็นทีหลังทุกทีเห็นทีหลังนั่นถูกแล้วแต่ทีนี้ตอนที่โกรธเนี่ยนะมีสติไม่ได้ โกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภมีอย่ึงนีถูกค่ะแต่วันนี้อยากจะขอเมตตาท่านการุณาอธิบายคําว่าอ่าจาระว่าต่างกระทานเป็นยังไงเอเดี๋ยวถาม<จ>หมอคงศัก์ก็กแล้วกันนะคือไม่ไม่ไม่ไม่ทราบความแตกต่างจะได้ปฏิบัติจ้จะได้ทําได้ถูกต้องค่ะเอ้วกอันนี้เดี๋ยวถามหมอคงศักก็แล้วกันนะค่ะค่ะยากนี้หลวงพ่อตอบไม่ถูก พยายามมีสตินะใจเคลื่อนไหวใจเปลี่ยนแปลงอะไรคอยรู้เรื่อยๆคอยรู้ทันเรื่อยๆค่ะขอขอบคุณค่ะเบอร์สิบเท่าไหร่เอ่ยสิบเอ็ดแล้วก็ต่อไปเบอร์สิบสี่ำมัสการหลวงพ่อครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาพบหลวงพ่อก่อนนี้ก็มีเพื่อนเคย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 ม่ไม่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยแต่ที่ผมทำได้และก็จิตใจสงบก็คือพวกทองตอนนั้นผมก็สวดสวดพวกปัจเวกสวดตามอิทธิโศอะไรไปเนี้ยสวดจนรู้สึกสงบแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะอยู่ในป่าแล้วก็มีแสงส ว, าว่างมาจิตใจสงบมากมแล้วก็รู้สึกมีมีเห็นนิมิตมีพระองค์หนึ่งลอยมาอมพอพระลอยมาข้างหน้าเนี้ยผมก็อยากรู้ว่าพระองค์นี้คือใคร เป็นเป็นใครเท่านั้นก็หายแบบว่าจิตใจไปอยากรู้ความอยากมันเกิดขึ้ น, นแล้วก็ติดตามไม่ทัน ม, มาตอนหลังมานั่งแต่ผมก็มาทํางานก็ไม่มีเวลาจะ น, นั่งมากถ้าไปนั่งในห้องพระนั่งที่ไหนเนี่ยถ้ามีเสียงอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยจะไปรู้สึกถึงเสียงนนั้แล้วก็มันเราไปาค่ไปแอนะไลสมันแล้วก็ติดตามไปเรื่อย เ, เพราะมั น, นไม่ไม่ไม่เกิดสมาธิน่ไม่เกิดนะไม่เกิดทีนี้อยากจะ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 ขนมหาอะไรมาล่อเด็กนะเด็กไม่เป็โซนที่อื่นเวลาที่เราทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องรู้จักเลือกว่าอย่าถ้าเราสวดมนต์แล้วเรามีความสุขเนี่ยเราก็สวดมนต์ไปอย่าหวังว่าจิตจะสงบพอสวดมนต์ไปแล้วถ้าจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาสายไปใส่มาให้รู้ฐานแค่รู้เฉยๆว่าเขาสายแล้วก็สวดของเราไปอีกนะแต่ถ้าเราทํากรรมฐานแล้วเราพยายามบังคับจิตให้สงบเนี่ยจะอึดอัดมากเลยจิตไม่สงบหรอก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 ท่านเก่งกว่าหลวงพ่อเรื่องเรื่องพวกศั์เนาะหลวงพ่อไม่ค่อยรู้ศัหดอกนะ <S <S เออนะอมาถามหลวงตานะเพราะหลวงพ่อไม่เก่งศับเ์ะเอาเบอร์สิบสามเชิญเอาเบอร์สิสี่ก่อนแล้วเบอร์สิบสา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 การดูจิตไม่ใช่เป็นวิปัสนาเสมอไปนะถ้าเราดูจิตแบบไม่ให้คลาดสายตานะจ้องเฝ้าอยู่เรื่อยๆเนี่ยจิตจะรวมแบบนั้นแหละมันเป็นสมถะลมก็ตื้นขึ้นปล่อยมันใช่ไหมครับปล่อยมันไปเลยเอาปล่อยมันปล่อยไม่ตายดอกจิตมันรวมรวมตื้นขึ้นตื้นขึ้นไม่ตายให้มันเป็นไปคือให้ตามรู้ไปเลยใช่ไหมก็รู้ไปว่าเนี่ยลมมันตื้นขึ้นมาแล้วนะใจมันเกิดกังวลให้รู้ว่าใจกังวล รู้ไปสบายใจ yeah. แล้วเมื่อวานนี้ลุงพ่อเมตตาให้ไปดูตอนที่เกิดโทกศากเกิดทุกขเวกนาลุงพ่อให้ไปดูการเจริญเมตตายัางไงค้ไม่เข้าใจคะ่ะก็อย่บเป็นโมโหตัวเอง หมายถึงว่าแผ่เมตตาให้ตัวเองเหรอคะเออแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยแผ่เมตตาให้คนอื่นด้วยคือให้ท่องบทสวดมนต์เหรอคะท่องในใจไปก็ได้นะสัตว์<แ>ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอะไรเงี้ยอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนได้เสวยผลบุญที่ข้าพาเจ้าได้กระทำแล้วนั้นเถิดอะไรเงี้ยมีอีกครั้งหนึ่งน ะ, ะในขณะที่โยมขับรถไปคือดูจิตไปเรื่อยด้วยความสบายใจแล้วเกิดว่ามันพลิกไปเห็นอะไรไม่ทราบพอที่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 พอเราไปเจอสภาวะแค่รู้แค่เห็นนะสะเตือนแล้วหรือเะเตือนเร็วนี่บางทีเรานึกไปถึงอดีตนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นมันฝันฝันไปทั้งนั้นใช่มันฝันมันเป็นภาพลวงตาไปหมดเลยใช่เป็นภาพลวงตานั่นแหละแล้วทีดีแล้วปัจจุบันมันก็มีแค่เพียงที่มีแต่ความอยากความไม่ชอบใจและความเฉยเฉยเท่านั้นเองค่ะดีแล้วใช่ไหมคะ ใช่แล้วอนาคตมันก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอะคะ่ะออนาคตยังไม่มีใช่ไหมคะ <laughs> อันนี้โยมไม่ได้เพี้ยนไปใช่ไหมคะไม่เพี้ยนอ่ะ <laughs> ติแปกใจตัวเองหลวงพ่อคะสมมติว่าตอนตายเนี่ยเกิดโทสะจริตมากๆทําให้เราตกนรกเนี่ยะช่วงวาระจิตสุดท้ายที่ดับไปเนี่ยสมมุติว่าตกไปแล้วเนี่ยถ้าเราเคยเจริญสติอยู่เป็นประจําเนี่ยเราสามารถดดดระลึกได้ทําเจริญสติได้ไหมคะ ไ ด, ด้หลุดออกมาละคะ่ะคือบางทีนะตกนรกไปปุ๊บสัมผัสนะสงสังเห็นไฟไหม้ขึ้นมาเนะี่ยใจกลัวย้อนมาดูว่ากลัวแนละ้วหลุดออกจากนรกเลยคือโยมเคยฝันแล้วก็ไปเจอสิ่งที่น่ากลัวใช่ไหมฮะมันก็มันเกิดเจริญสติภายในความฝันนะออต้องอย่างนั้นสิอย่างเนี้ยไม่ตกนรกละจะให้บางทีมันก็ภาวนาพุโทโธบางทีมันก็ภาวนาว่ากลัวหน อ, อ, อกลัวหนอเอาอะไรดีคะหลวงพ่อฮะจะ จะภาวนาพุทโธหรือว่าจะไปตามรู้ความว่ากลัวกลัวตามความเป็นจริงทำอะไรถ้าภาวนาภาวนาพุทโธนะหรือกลัวหนอกลัวหน่อนะเท่าเทียมกันเป็นแค่คาบริกรรมแต่ถ้ารู้ทันว่าจิตกำลังกลัว <ค Ariel. S 2> เดินปัญญาอย er. ู่รู้รู้ทันว่ากำลังกลัวฮะไม่ว่าจะพุทโธเป็นสมถะหรือว่ารู้ทันจิต เห็นความกลัวนะเห็นเดินวิปัสสนาก็หลุดจากนรกเท่าๆกันแหละเท่ากันฮะหลุดได้ด้วยกันแหละหลวงพ่อค้าขอขอกุญแจดอกสุดท้ายให้ด้วยค่ะในความใจแล้วว่าจะดอกสุดท้ายกุญแจสําคัญเลยค่ะที่จะไปแบัติต่อไปพวกคงจะไม่เจอหลวงพ่ออีกนานค่ะก็ภาวนานั่นแหละทําไปเรื่อยนะสํารวจใจเราเป็นระยะระยะไปกุศลอะไรอกุศลอะไรยังไม่ละ ดูสนอะไรยังไม่เจริญค่อยสำรวจไปเรื่อยค่ะหลวงพ่อสุอทายนี้ขอกรรมฐ า, านให้แฟนด้วยค่ะเสาขับมาตั้งส5้าชั่วโมงค่ะอันไหนที่หมาะสำหลับเขาคะให้หลวงพ่อดูหน้าเขาหน่อยเดี น, นี้หลวงพ่อเห็นแต่มือถือพูดไทยไดย้ไหมั้ยครับกับน้ำมันสกกาหลวงพ่อครับเง้อพูดไทยชัดครับพูด เราก็ชัดครับครับหลวงพ่อผมปฏิบัติผมนั่งเนี่ยส่วนมากผมจะหลับไวมากไม่ทราบถ้าถ้าไม่หลับเนี่ยก็จะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ถ้าไม่คิดเป็นหลับนี่ไม่ทราบว่ากรรมฐานที่เหมาะกับผมนี่ไม่รูเไวไวนะ้เคลื่อนไหวไว้นะเคลื่อนไหวไว้กระดุกกระดิกไปเ้อ ง, อง<ว>เดินไหนะครับเอเดินก็ได้แ ม, <ถ>ม้แต่เดินเนี่ย ม, มันยังเซ่เลยครับขอโทษครับมันทํางานหนักไปหรือเปล่ามันถ้ามันเหนื่อยมันมีบ้างครับนะถ้ามันเหนื่อยมันง่วงร่างกายไม่ไหวอะ่ะก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าถ้านังถ้าเดินเมื่อยมากนะไม่ไหวก็นั่งสมัยก่อนหลวงพ่อก็นั่งนะมีพัดยวนนะนั่งพัดไปเรื่อยพัดเรารู้สึกตัวอากาศร้อนเราพัดแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะอากาศหนาวเราก็อย่าพัดใส่ตัวเราพัดออกไปข้างนอก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 ก็พอมีครับให้คอยรู้ทันเนาะเวลาเราเราจริงจังกับความคิดความเห็นของเราเนี้ยเราจะไปยึดในความคิดความเห็นแล้วความทุกข์มันจะเกิดขึ้ น, น ค, คอยรู้ทันความทุกข์ที่เกิดที่จิตบ่อยๆเวลาเราจริงจังกับโลกนะเราก็ทุกข์เยอะอะไรเงี้ย ค, คอยรู้ไปใจจะค่อยคลายออกคลายออกจะมีความสงบสุขขึ้นมาครับมีคําแนะนำอีกไหมครับ เอาข้อนี้ก็ยากแล้วหนะ้าเอาทีละข้อเนาะเอาได้ครับขอบคุณมากครับเอาเบอร์ห้า กับน้ำมศ ก, การหลวงพ่อค่ะยกไม้แบบนี้เลยตั้งตั้งแล้วพอดีหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัติได้ประมาณ 2-3 เดือนนะคะ<ม>พอดีได้กัลยาณมิตรช่วยแนะน<ม>ําให้ฟังซีด<อ><อ>ีกัลยาณมิตรนี่เขาดีจริงๆนะหลวงพ่อไปที่ไหนก็มีกัลยาณมิตรแนะนําทีนี้หนูก็เพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะ<ม>ก็พยายามดูว่าตัวเองรู้สึกอะไรก็รู้ตามแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่า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 เ, เออเป็นนะให้รู้ทันเวลาใจอาฆาตให้รู้ทันนะใจมันหมายมั่นปั้นมือนี่จะจับหักคอให้ได้เลยนะให้รู้ทันนะแล้หนูรู้อย่างเนี้ยหนูหนูหนจเจริญเร็วมากเลย <c oughs> คนที่มีโทสะเยอะเนี่ยภาวนาง่ายเพราะอะไรพระโทสะมันเกิดขึ้นคราวใดเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขนําเป็นกิเลส ท, ที่ล้า ง, ง่ายที่สุดเลยดังนั้นคนไหนมีโทสะเจริญเนี่ยเป็นบุญนะภาวนาง่าย แล้วพวกที่โทสะกล้าเนี่ยมักจะปัญญาแก่กล้าด้วยนะจะล้างอะไรได้รวดเร็วเพราะว่าโทสะนี่มันเข้าไปทำลายล้างอย่างรวดเร็วเลยอาการมันลักษณะเดียวกับตัวปัญญาปัญญามีลักษณะทำลายล้างอย่างรวดเร็วเลยนะปล่อยก็ปล่อยตัดใจก็ตัดใจเลยเข้มแข็งนะดีแล้วล่ะขอบคุณหลวงพ่อค่ะเป็นบุญนะมีกิเลสแบบนี้เบอร์สมสิอสาสิบ ใจจิตออกนอกบ้างผู้ไร้าปากแข็งเยอะน้อมัสการท่านอาจารย์ขลวงพ่อสามโมทนะคะ่ดิฉันอายุได้70แล้วนะคะแล้วก็เรียนมาทางวิปัสสนากรรมฐานยุบหนอพองหนอเตือนเมื่อ ชั้นป .6 นะคะแล้วก็อเข้าซึ้งแล้วก็เห็นผลทันทีว่าเรียนหนังสือจาก 50% ซน์ะคะแล้วก็ขึ้นมาท็อปออฟเดอะคลาสไม่แปลกนะแล้วพานาแล้วสมาธิดีแล้วก็แฮปปี้มาตลอดชีวิตที่เรียนหนังสืออยู่จนกระทั่งทำงานทำการ แล้วก็ประสบผลสำเร็จพอสมควร <au> แต่ทีนี้พอมาเริ่มเข้าอายุประมาณห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดขึ้นไปเนี่ยนะคะไ อ, เ อ, เ อ, เอ้เรื่องเราก็พบไอ้ผัสสะอะไรร้อยแปดที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็เกิดซีเรียสขึ้นมาเรื่อยเื่อเรื่อรือ ย, รยแล้วก็เป็นคนวิตกจริตจนแล้วก็ ไม่รับไม่ได้ฮะรับรับน้อยฮะแล้วก็จนกระทั่งทานยานอนหลับแล้วก็อ i d เ n t แล้วก็จนคิดว่าอันนี้เป็นชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่เมื่อส3าปีก่อนก็เลยเ อ, อ๊จะทำยังไงดีมันก็มากขึ้นไปแล้วแล้วก็เวลาที่เหลืออยู่ก็เป็นโบนัสก็เลยเอ อ, เ อ, อได้เรียนกับที่อโศกนะคะบอกว่าทำงานนี่ละ่ะ ดีที่สุดมาครว่าทำงานทุกอย่างไม่ใช่ทำงานเพื่อหากินนะคะลาบแรกลาบต้องทำงานโอ้ยสา ร, รพัดอาสาสมัครทำอะไรเนื่องจากเราอยู่ที่ USA นี่นะคะเราก็เนี่ยฮะทำชดสอบดูสอดเห็นไปช่วยทำงานทุกอย่างอเอ๊ะมันก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นแล้วก็ <laughs> ก็เลยยิ่งยิ่ง วิตกวิตกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนขณะนี้เจสิบขวบแล้วนะฮะ่ังหาทางแก้ไขรักษาตัวเองยังไม่ได้ทั้งๆที่ไปช่วยรักษาคนอื่นไปช่วยโนซี่กับคนอื่นไปช่วยเ อ, อ๊อเขามีทุกอา้าวจะไปแล้วเดี๋ยววิ่งเข้าไปนนี้เนี่ยจิตมันกําลัง lost <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ขอท่านอาจารย์แนะนำว่า <c oughs> นี่มันเราก็เจะ เมื่อไรก็ยังไม่ทราบนะคะขอวิหารธรรมที่จะทำให้ดิฉันเนี่ยคลายจากโลกวิตกจริตก็าหายใจไปนะหายใจไปนะคะแล้วก็อาง <c oughs> บาลานซ์ดีเนี่ยพยายามทอย่าอย่าทำ <c oughs> อย่าทำแบบบังคับจิตให้สงบเสร็จหายใจเล่นๆัูใจเล่นๆไปนะ ทำใจสบายหายใจเล่นๆไปรู้สึกตัวสบายๆไม่ได้หวังผลอะไรนะใจเราสบายใจเราเคล้าเคลียอยู่กับลมใจก็สงบเข้ามานะแล้วก็ค่อยดูไปใจตอนนี้สงบแตเดี๋ยวก็ไม่สงบนะ <c oughs> เดี๋ยววิ่งไปอดีตวิ่งไปอนาคตอะไรเงี้ยคอยรู้ทันใจเรื่อยๆไม่บังคับใจแต่คอยรู้ทันใจไปนะแล้วยังรู้เนี่ยอย่างเช24ชั่วโมงเนี่ยนะฮะ จะรู้เมื่อไหร่เช้ากลางวันเย็นให้ดูหรือว่าดูเลยเรพอรู้สึกขึ้นมาว่าเอ้าดูสักทีะนึ่งก็ใหญ่ถ้ารู้สึกก็รู้สึกไปนะรู้สึกเมื่อไหร่ก็รู้เอาเหลือแล้วก็แล้วไปอย่าให้เครียดไม่ใช่ว่าต้องรู้ย4ิบสี่ชั่วโมงนะรู้เท่าที่รู้ได้ค่อยๆฝึกให้สบายใจเน้นที่สบายใจแล้วสมาธิจะเกิดนั้นหายใจไปอย่างมีความสุขดู ใจของดิฉันนี่หายใจอย่างหลวงพ่อมีความสุขบายเดไม่ไ ม, ไม่ไม่กำหนดเวล า, ไ ม, าไม่กาหนดฮะไม่ดูเป็นไหมนนชาวชิคาโกอย่างตอนนัางคืนทำดีไหมคะเพราะว่าอันนั้น่ะเป็นดีถ้านอนไม่หลับนะนอนหายใจพยายามหายใจไว้นะอย่าหยุดอ๋อ <laughs> แค่นั้นนละค่ะโอ้มีชีวิตยอยู่กับปัจจุบันไปหายใจไปหมดหรือยังหมดละถ่าหมดแล้วก็มีเบอร์สิบสอง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 ถ้ารู้ว่าจิตไหลไปคิดเดี๋ยวเขาก็ตั้งขึ้นเองอย่างตอนเนี้ยตั้งแรงไปไหมมากเลยครับอึดอัดไหมพยายามผ่อนคลายอยู่ครับเออนะอึดอัดนั่นแหละเราบอกพยายามผ่อนคลายที่นีมน้มันง่ายกว่าที่นึกนะครับผมแต่ว่ามันมันยากที่จะทำเนี่ยนะครับทําไม่ได้อเคครับถูกแล้วที่ยากที่จะทำเพราะทำไม่ได้ครับผม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 ทุกเช้าผมไปทำงานตั้งแต่ตั้งแต่ตีสี่บางครั้งบครั้งก็ตีสามครึง่งผมอาัฒนาศีลแปดทุกเช้าทีนีเพอขึ้นรถขับไประหว่างที่ขับไปถึงที่ทำงานใช้เวลาประมาณแปดถึงเก้านาทีผมรู้สึกตัวยถึงนึงถึงที่ทำงานแล้วมไม่ในะในขนาดนั้นไม่ทราบว่าวมันเกิดสภาวะอะไรเกิดขึ้นทาไม ถึงหายไปอย่างนั้นได้ครับอย่าให้หายหน้าเวลาขับรถอะหายตอนอื่นยังค่องชั่วครับทีนี้ ใ, <ช>ในช่วงจอห์นเช้าเมืองเล็กๆอย่างนั้นมันจะไม่มีรถเลยครับมันมันจะขับไปแบบเอารู้สึกตัวทึงถึงแล้วมันไม่ดีนะไม่ดีใช่ไหมครับครับ <ผม S 2> พยายามรู้สึกตัวไว้ครับผมคือคอย่าไปนั่งเพ่งนั่งจ้องอะไรมันนะนะครับผมพยายามกระตุ้นความรู้สึกที่ร่างกายเราตื่นเช้ามากอ่ะมันยังอยากหลับต่อครับผม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 ทั้งหมดนี่หายไปหมดเลยเหลือแต่นิ้วครับผมโผลอีกทีหนึ่งถ้าไม่ที่ทำงานก็ยมมาโลกครับผมกลาวนามสรรการครับน้าหมดแล้วละ่ะนะเช่นขอกราบขอพระคุณงพ่อประโมทเป็นอย่างยิ่งรู้สึกปัญหาที่นี่จะมีปัญหาเรื่อง จะต่างจากเมืองไทยบ้างนะฮะมีเวลาว่างมากไปไม่ทราบท่านที่หลวงพ่อบอกแบบว่าพวกเราทีนี้นะมีจุดอ่อนหนึ่งฉลาดเกินภาวนาภาวนาโง่โง่ดียังหลงอยู่นู่อีกคนหนึ่งเมื่อสามสบเอ็ดี๋ยวองง ณมรดการหลวงพ่อที่เคารพดิฉันอยากจะขอถามปัญหาค่ะของคนนอกศาสนาคือเป็นพวกฝรัง่งแต่เขาเป็นคนทั้งครอบครัวผัวเมียมไ ม, ไม่ไม่นับถือศาสนาเป็นซีไมอมถ้าเขาตายไปแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนโอ้ตอนนี้ เ, นข เ, เขาอยู่ที่ไหนหลวงพ่อยังไม่รู้เลย <laughs> ก็เฝ้าเฝ้าสงสัยเนี่ยเราดิฉันก็มาสังฆทานทีไรก็เรียกชื่อนามส ก, กุลเขาผัวเมียครอบครัวนั้นทุกครั้งที่มาที่นี่ฮะเขาจะได้รับหรือเปล่าเขาตายไปแล้วหรือจ ะ, จะได้รับผลบุญที่เราแม่ตอนตอนนี้เขาตายไปหรือยังบะตายไปทั้งผัวเมียแล้วค่ะอ๋อคือได้รับหรือเปล่าเนี่ยไม่เราไม่มีใครรู้นะ แต่สําคัญก็คือเราได้แผ่ส่วนบุญให้เป็นบุญของเราเรียบร้อยแล้วส่วนเขาจะได้รับหรือเปล่ามัอยู่ที่ว่าเขาไปเกิดในภพภูมิใดนั่นแหละดิฉันก็สงสัยว่าไปอยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยแต่ลูกชายเขาเป็นคริสเตียนอลูกชายตอนหลังเข้ามาเป็นคริสเตียนลูกชายเขาก็คือลูกเขยดิฉันนี่แหละออืค่ะก่อยเขาไปเถอะคิดเป็นห่วงคิดเป็นเราเราแค่แค่ทำบุญอุทิศให้ไปนะคะ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 ถา้าไปโบสแล้วสบายใจส่วนตัวไม่ได้อุทิศให้ก็ไม่ได้แฝรั่งตายไปแล้วมันไม่ทำบุญหาพ่อแม่เลย <c oughs> แล้วพ่อแม่ก็คงจะเป็นเปรตหรืออะไรไม่มีอาหารกิน <c oughs> <c oughs> ยอย่าไปพูดให้ฝรั่งฟังนะ <c oughs> <c oughs> ฉันไม่กล้าพูดกับลูกเขยเรนะเพราะว่าแอบสนานี่ย <c oughs> แต่ลูกเขยเขาก็เป็น อืมเข้าใจดีเออดีอดีดีค่ะทีนี่โมทนาด้วยมีลูกเขยดีดะนี่ด้น่นะดีน่าเชิญคุณหมอ ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งครับพวกเราชวยกันสาธุสาธุสาธุก็พวกเราต้องสาธุให้หมอคงศักด้วยนะ โยมเาจะจะไหวกันเทจหลวงพ่อเพราะว่าเ็จปีวันนี้หนูไปโอ้โหลวงพ่อรับไม่ได้ดอเรียนมีสตังออเอาดอกไม้มาดอกหนึ่งกัอดอกไม้ไปดอกนึ่งก็ได้เอานีนี่ม า, าะัดใจก็ฝากแม่ชีฝากโยมไว้ข อ, อถ่ายรูปกลุ่มได้ได้ได้มีเวลาเดีเสร็จแล้วเสร็จแล้วมีถ่ายรูปเป็นกลุ่มๆนะครับ มดนี้มันรับน้าหนักได้ไหมหมอข้างล่างก็ได้ข้างล่างหนาผยยังมีแถมมาอีกหนึ่งลงไตรงนี้นะโมทนานะโอ้สวยนูสิตารรมัติธรรมูใครรโอหลวงตาจำได้หมดเลยเนาะ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 น่ะัดกอ่าสิบนเลนขตี้อ๋นี่ยหนูพ่อเป็นห่วงตรงที่ว่าเที่ยวประดูจิตหลวงพ่อกลัวจะออกนอกนะทำเหตุไปเรื่อยดูกายดูใจปฏิบัติสอ ิบัติก pues ็ดีอ pues ยู่นะทำไปเรื่อยเรือยรู้ทันกิเลสแต